ที่ตมันมีโอกาสวันเสาร์วันอาทิตย์เท่านั้นคนคนมันก็ไม่มากหลงเตี้ยมันมาวันเดียวกันมันมากออืมันมีโอกาสออืวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นที่จะพักผ่อนอืพวกประชาชนทั้งหลายนอืมีที่การมานี่ทุกทกคนเนี่ยวาหวังธรรมะ มังควมเยืกเย็นอยู่เย็นสุข ก, กันทุกคนท้งชนบุรีรบบุรีสมุทรประการจังหวัดได้หลายจังหวัดผ่านนะร่วนจะเสีวงหาบุญเดวกทอดภา<ไ>ป่าบางสกุลตามภาษานะเพื่อให้มันเกิดเป็นบุญ โดยมากเป็นอย่างนั้นเท่ว่าไม่เคยได้ยินว่าเสวงหาการละบาปไม่่อยได้ยินมีแต่แสแวงเอาบุญมาทับกันขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่สาคัญนะเรามีเวลาน้อยแต่เวลามันไม่น้อยหรอกมันมากอยู่ความเป็นอยู่ของเรานี่มัน น, น้อยๆเวลาที่จะมานี้ ไทยเรานับถือพุทธศาสนานั้นาศาสนาเป็นของเยือกเย็นประชาชนเข้าอบรมแบบพระมหาเยือกเย็นทศมาเคยไปสารัฐพบคริสเขาต่อว่าจะทำไงแก้ปัญหาช่วยอดิเขาให้ไปพูดอยู่ในบ้านคริสเขาพูดตามภาชาเรานั่นแหละเมื่อพูดจบลงคริสคนนึงแก่ๆเขาถามแบบท่าน เมืองไทยพุทธศาสานาอยู่เมืองไทยทําไมขโมยแยะนะไม่รู้ทไงเนาะอาจจะมาก็รับเต็มที่เลยใช่จริงรับโยมลอยเปอร์เซ็นด้วยแต่ว่าขโมยทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่ศาสนามันคนคนเป็นขโมยทําไม่ใช่ศาสนาเป็นขโมอยอืม คนที่สอนศาสนาก็ไม่ทําอย่างนั้นศาสนาท่านก็ไม่ทําอย่างนั้นอันนี้คนไม่ใช่ศาสนาเขาตบมือเออยเฮ้ย้มนกันทรายจะมาก็ตามต่ออ่ะสานาที่มีขโมยหรือเปล่าไม่อยากตอบแล้วมันก็นคือขโมยมันมีเหมือนกันเนะมันไม่อยากตอบมันนะอ่ะยาวดีกันหนึ่งก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยนี่เรียกว่าโลกมนุษย์เป็นอย่างนี้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 นั่นอาจารย์มาดึงสอนเราพวกญาติโยมเราทั้งหลายนั่นในก่อนที่จะมีชีวิตมาถึงวันนี้ได้มาทําเช่นนี้ก็เป็นของหายากเป็นของหาลําบากด้วยอืมให้โยมทั้งหลายนั่ น, นระลึกถึงไหวคําสอนเยาะเยาะของพระที่ท่านบอกไปที่ว่าหัวใจพระศาสนาทําไมท่าถึงพูดอย่างนั้นไอ้หัวใจเป็นสิ่งที่สําคัญอันหนึ่ง คนเราตัวคนมานั่งอยู่ในหัวใจเป็นทิ้งแสดงก็หมดเท่านั้นเนี่ยไม่มีเรื่องราวอะไรไม่มีไม่มีอะ ไ, ไรจะติดต่อเดี๋ยวว่าหัวใจนะั้นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่นี้พุทธศาสนาก็ต้องมีหัวใจเป็นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือหัวใจของศาสนาในเวลาสันส้นๆในเวลาไม่มากเราควรจะฟังหัวใจพุทธศาสนา เดี๋ยวไปภาวนาแด้วไปพิจารณาให้แยกคายเราจะได้ความรู้จากพุทธศาสนาทั่วถึงในพุทธศาสนาอันนั้นท่านกล่าวว่าสัพ ป, ป, ปาปัสสะอกระนังกุธิรสูปสัมปทาสัจจิตตปริโยตปนังเอตังพุทธศาสนาเนี่ยย่ อ, ยอ อสัพปะปาปัสะอาการณังนั้นหมายความว่าไอ้ความชั่วไอ้ความผิดไม่ทํามันเลยดีกว่าไม่ให้ทําความชั่วไม่ทําความผิดไอ้จริงที่ไม่ดีเลยกายหรือวาอจานั้นนะพุทธศาสนาดังน่ะห้ามมีอันหนึ่งจะอะไรเป็นหัวใจพุทธศาสน า, า, าที่ถูกต้องเมื่อจิตใจเราไม่เป็นเช่นนั้น อือธรรมะไปจะเกิดขึ้นความเมตตาอารีจะเกิดขึ้นถึงใจเรากุศลสูปสัมปทามีใจเยือกเย็นอืมเนี่ยอืม อ, อันนี้ก็เรียกว่ามีเมตตาปลาณีเกิดขึ้นกับจิตใจของเราก็เป็นธรรมะอันหนึ่งเป็นหัวใจพุทธศาสนาอันห น, นึ่งอืมซาจิตตาปรโยธปนังไม่กระทำบาปแล้วใจเป็นกุศลแล้ว ต่อไปจิตมันขอผองใสทำจิตใจเราให้เป็นผองใสสะาอาดไปนั่งที่ไหนก็สบายนึกถึงความดีเราที่ทำแล้วปัจจุบันนี้หรืออดีตี่องมาแล้วก็สบายไม่มีอะไรแล้มีความภูมิใจยุทุกเวลานี่เดีย ว, ว่าหัวใจพุทธศาสนาตั้งอยู่ในหัวใจเราอืมนี่ แต่หากว่าเราจะต้องมาพิจารณาอีกทีหนึ่งทั้งท่านจะมาจะเคถามอ่ะไปแสดงมาบุญกันดี้ดิ่งบางทีข้ามไปจังทําไมการกระทําบุญกันมากแต่ไมมันค่อยเรือดร้อนพวกเรานันนะนเพราะอะไรเล่ามันยังเหลืออยู่ครึ่งหนึงซีกหนึ่งซีกที่ไม่ละบาปนะั้นมันยังอยู่เออไอทําบุญก็ทํา อืมซี่พิเมล่าบาบเนี่ยเป็นต้นต่อสําคัญที่สุดเลยอืมไอเบื้องแรกที่สัปปะบาปัสะอกระนังนี่ธรรมดาพื้นที่เราปลูกบ้านอย่างนี้ไงรากฐานบ้านที่จะปลูกบ้า น, น, นทําให้ดีทําให้สะอาดทําให้เน่นนะเอบ้านเราจะทรงตัวอยู่ได้ก็เพราะนั้นเป็นหลักฐานอะไรสิ่งที่ว่ามันจะสะอาดตรงนั้นทั้งหมดของสุขภูมิ เนอ่ยตายตรงนั้นมันจะถูกมันจะหมดสิ่งที่มันผิดอะไรบุญจะไปตั้งอยู่ตรงนั้นตรงหมดบาปเคลียาบาปออกก่อนถ้ามันมีก็เคลียาบาปออกแล้วบุญตั้งลงไปตรงนั้นเนี่ยเออบุญจะตั้งอยู่ได้อย่างนี้เนี่ย <Yeah. S 1> ถ้าเราทำบุญนี่็กก็จริงเดี๋ยวทำบุญมันทําข้างเดียวคล้ายๆว่า้ผ้าเจ็เท้าเราเนี่ยมันสุกกระปุกถูกไหม เอาไปบ้านเจกเไปเห็นสีสวยๆเราก็อยากเอามาย้อมนใช่อืมไปซื้อสีมาย้อมผ้าเช็ดเท้าเราที่สปกปรกแต่เราไม่ฟอกมันไม่ซักมันนะเอาทางสปกปรกไปย้อมสีมันจะสวยไหมนี่มันกันจะนั่นไงทําบุญก็จริงอยู่แต่ว่าไม่ค่อยลาบบาปกันน ะ, ะไม่ค่อยลาบบาปกัน <c oughs> มันไม่หมดัวต่อมันไม่จริงมีความเดือดร้อน <C oughs> อาจจะมาเคยยกตัวอย่างเนี่ยว่าการจระทำบุญกันการกินเบี้ยงกันอย่างนี้อืมสุขสนุกสุ ข, ส, ขสบายบางทีพูดอะไรก็อาจขัดใจเคยเกิดมาที่เดียวนั่นควักปืนมายิงปุ้งนะตายเแหลมมันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากหัวตจที่ไม่ละไม่ในละบาวนะทำไมแต่ที่บุญเนี่ยมันก็มีอยู่แต่มันมั น, ม, นมันสู้ไม่ได้มันเอาไม่ไว้ เพราะว่าตอมันที่สําคัญคือการระบาปที่หัวใจพุทธศาสนาท่านสอนย่อๆแต่มันมีความหมายมากที่สุดอะไรที่เราจะต้องทํานั้นก็คือกายวาจาจิตของเราตอนนี้ถ้าเรารู้จักหัวใจพุทธศาสนาแล้วพยายามทําตามหัวใจพุทธศาสนานั่นแหลนะอืเราจะมีความเยือกเยน็นทุกๆคนมีความเยือกเยน็นเป็นผู้สแสวงบุญ แดี๋วเสแวงด้วยการละบาปด้วยพรองกันจะถูกต้องดีแต่คงจะไปทําบุญแง่เดียวกันเพียงหนะ <c oughs> ้าสิบเปอร์เซ็นตนะแต่ละบาปด้วยก็ทําบุญนะจึง ท, ทาบุญนะมันเด็นร้อยเปอร์เ็นต์เดียบร้อยมีทีถูก ต, ต้องเลแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ น, นะแค่นั้นโดยมากว่าเราจะทําบุญทุกครั้งทุกเวลาก็กราบพระเอาเป็นพยาน พระพุทเป็นเทพึ่งพระธรรมเป็นเทพึ่งพระสงฆ์เป็นเทพึ่ ง, ง, ง, งแหละตอนนั้นใจด้วยมากก่อมีโอกาสดีสมทานศีลอืมคือก่อนจะทําอะไรให้ดีศีลก่อนอย่างนั้นให้เรียบร้อยก่อนนี่คือการท้าบาปอยู่แล้วนี่นอะไรทุกอย่างก็เรียนอย่างนั้นเนีย่ยเกิดประโยชน์ข้างเดียวขึ้นมานี่ซึ่งที่มันเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี่ก็เดี๋ยวเราทํามันไม่ก็จะถูกต้อง บางคนก็เห็นมาแม่ทำบุญกันก็ทำอย่าทำไมมันเป็นอย่างเงี้นะอ่าอามันน่าจะเป็นนีงงั้นน่าจะเป็นอย่างงั้ น, นคือคิดในรอบค้อบบางทีที่คนทำงานทำการกันเหมือนกันแม่ปีนี้เคยเคยมากราบประจามาทั้งท่อก็ผมทำงานเอาจริงอาจังทำไ ม, มปีนี้น่าจะได้สองขั้นนยไม่คยได้กับเขาเลยน้อยใจ คิดว่าพระพุทธองค์สอนว่ามันทำดีมันได้ดีผมทำดีเรื่องเกินทำไมมันไม่ได้ดีไอคนอื่นทำไมเขาดีเขาได้สองขั้นไอผมทำดีๆอยู่ทำไมมันไม่ได้สองขั้นล่ะครับน้อยใจไม่มีกำลังที่จะทำงานอันตามาได้บอกว่าดีนั่นคืออะไรโยมราบหรือยศหรืออะไรดีรู้ไหดีนั่นคืออะไร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 แต่คนอื่นเขาให้่าไม่ดีอย่างเรายกกตะดิกแบนี้ขึ้นนกยกขึ้นอย่างนี้เรายกขึ้นแล้วเขาว่าเรามายกกระดิกนี้แต่ความจริงเรายกแล้วจะไปเสียงเขาทาไมนะ เ, ออเราทําดีแล้วนะไอ้ความดีนะที่เราก็ทํานั่นแหละคนอื่นรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามไอ้ความดียังมีอยู่เอออย่างนั้นกกเปลือนที อย่างนั้นที่เราทำดีแล้วเขามากดีงั้นเสียใจดิไม่เชื่อตัวของเรานี่ยนะไม่เป็นตัวเองไม่เป็นตัวของตัวบางทีเราทำไม่ดีอยู่เดี๋ยวเขามาดีงั้นก็ดีใจดิอย่างนี้อืมอาจจะมาเท่ไอร่ความดีนะไม่ใช่วัตถุอย่างนั้นนะมันดีบงังทีมําดีจ้ะอืมเคยค่ายกันเรียกว่าการกระทําเค่นนั้นเรียกว่าเรามีดุกน้องหรือคนหนึ่งอย่างเนี้ยเฮ้ย ไอ้นี่มึงไปเก็บคนนั่นไอ้กูใช่ปะพอไปเก็บภูษะให้เงินมันก็ห้าพันบาทหรือหมื่นบาทอย่างเงี้ย น, นั่นหรือเลยดีเนะนั่นไม่ใจได้ดีมันฆ่าคนนี่ทําไงเนี่ยไอ้ความดีเฉียดนั่นไม่ใจดีออืไอ้ความดีนั่นไม่ต้องเบียดเบียนตนไม่ต้องเบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องมีอะไรไปให้เราทําอยู่นี่คนเห็นก็ก็ดีคนไม่เห็นมันก็ดีไม่มีเสียหาย อันนี้เราจะต้องทําความดีต้องมีคนเห็นอย่างงไงถึงดีใจไอ้ทําความชั่วไอ้คนเห็นก็มไม่สบายใจอย่างนี้คือคนงูแต่ความดีไม่ต้องใครเห็นเนอกไปทําอยู่บนอากาศได้ทําดีได้ก็ดีอย่างนั้นแหละใจเรารู้อยู่จะทําอยู่ในในน้า ม, มันก็ดีอยู่เป็นซิกิพูโตเอาตัวเองเป็นพยานของตัวไม่เอาคนอื่นเป็นพยานอันนี้มันจริงคนอื่นเป็นพยานมันพลิกแพงไปนาเอง อย่างนั้นการจะทําความดีความชั่วทั้งหลายนั้นให้รู้จักตัวซะก่อนบางคนจะทําความปิดก็อมองดูครูอาจารย์มองดูพ่อแม่ไม่เห็นแล้วก็เรียกทำเนี่ยนะดีใจว่าพ่อไม่เห็นเราแม่ไม่เห็นเรานายไม่เห็นเราก็ดีใจนั่นะคือโง่ที่สุดดีใจแล้วคือคนไม่เห็นไอ้ตัวเราที่เป็นคนน่ะไม่เป็นคนหรือกี่เราทำนะฮอ นั่นก็มองข้ามตัวเองทั้นนั่นแล้วตัวเราทำนั่ น, นคือคนคนอื่นมาเห็นกับตัวเรานี่เห็นตัวเราอย่างนั้นการการททำดีที่ไหนไม่เสียทำชั่วที่ไหนไม่เสียอไม่ต้องเป็นโลกวัชชะเป็นธรรมาธิปใยการทำดีทำถูกต้องเป็นพยานในตัวของมันแล้วนะถ้าเราคิดอะไรต่างๆถ้าเราทำไม่ดีเขาว่าดีเราก็เชื่อในใจของเอเห็นที่ เรารู้จักอยู่นะเราทำดีเขาว่าไม่ดีคือเราดีใจอยู่คนไม่เสียหายอะไรพ่อเราเห็นตัวเราอยู่อย่างนี้ถ้าถ้าเห็นตัวเช่นนี้แล้วก็เอาระนะเอาะ่ะเป็นคนสมบูรณ์แล้วอืมรู้จักรู้จักรักษาตัวของเราไอ้ที่คนเราทำชั่วก็ว่าดีก็ดีใจเราทำดีอยู่ เ, าาเราก็ทำชั่วกว็เสียใจคือเป็นคนอนาถ า, าไม่มีที่พึ่งน่าสงสารเหมือนกันนะ เอาวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาทุกตลอดการตลอดเวลาอย่างนี้ก็เพรเราไม่รู้จักถ้าเรารู้จักความเป็นจริงแล้วก็หวัวใจพุทธศาสรสนาจะประยิบกข้มาเสิหวัวใจเราถ้าปปาปตะอัคนังกุฎาสุปะสัมปัญธาสัจจิตตะปริโยตปัญังจะมารวมอยู่ที่นี่เมื่อทำเมื่อพูดต่อรู้ที่นี่ไม่มีอะไรเลยพอรมเป็นอยู่เป็นปกติ สีเทนะโดยปกติจิตมันเป็นปกติแท่ไม่มีอะไรใครจะว่าชั่วว่าดีก็ปกติไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาก็เพราะาเราเห็นนีอันนี้เราไม่เชื่อตัวของเราอืมเราจำเราจำเราจำไก่ได้เขาเรียกว่าเป็ดก็เสียใจนะเ้าเอาเป็ดเป็นไก่ก็วิ่งไปวิ่งมาไม่แน่นอนอย่างนี้ก็ไม่ไม่ดีเราทำชั่ว เขาอดีก็คอยดีใหญ่เขาเราทําดีเขาบ่ช่วก็่อยเสียใจเขาไม่มีที่พึ่งของเราอย่างงั้นให้ดูตัวของตัวนะเป็นสิกีปูตูเอาตูเป็นพยานของตัวซะแล้วเมื่อเราถึงหลักพุทธศาสนาคือเข้าใจพุทธศาสนาแล้วก็นดีว่าสบายอยู่ฟังกันสบายอันนี้แหละมีที่พึ่งแล้วใครจะว่าไม่ดีก็ช่างเถอะมันดีอยู่แล้ว อย่างเราจับกระจีกน้ำเนี่ยคืนมาเมยมันหนักระหว่างนี้ทันไม่หนักแล้วจะเชื่อใช่ไหมเรายกเป็มันหนักตอนนี้ทันไม่หนักแล้วเชื่อเขาหรือเปล่าแน่แน่คนอื่นก็พูดเนี่ยให้พามัหนักมันปลาขกดแต่เรานี้อันนี้คือความจริงเป็นสัจธรรมอย่างนั้นอืมฉะนั้นในหลักพุทธาศาสนานี่นี่หลักสําคัญได้ายอย่างแต่เมื่อรวมแล้วก็เป็นเรียงกันนี่เองไม่เป็นอย่างอื่นอืม การพวกเราทั้งหลายนั้นการแสดงหาบุญนั้นให้เข้าใจกันนะอย่าไปลืมนะอย่าไปรืมการละ บ, บาปสำผัญการลา บ, บาปแล้วนั้นบุญนนมันจะค่อยมีขึ้นได้นะค่อยๆเปลี่นขึ้นค่อยๆเป็นขึ้นค่อยๆเปลนขึ้นไ ป, ไ ป, ปนนอย่าเย็นเรียบร้อยนะเออถ้าหากว่าหมอรักษาพแผลเขาต้องสนิทอืม การละการทําบาป ก, การทําบุญไม่ละ บ, บาปนี่เหมือนกับแพทรักษาแผลตากแผลมันดีอยู่แห้งอยู่แต่ว่าข้างในไม่ค่อยสนิทนัานๆอักเสบอีกผาตัดอีกทําแผล อ, อีกแล้วนี่ี่ถ้ารักษาไม่ดีก็อย่างเก่าเนี่ยอเหยียบไปอีกตากแผลมันก็แห้งไอ้ข้างในมันบวมอยู่นั่นเนี่ย น, น่นๆอักเสบอีกผ่าตัดอีก เราก็อย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเสียใจอีกเดี๋ยวร้องไห้อีกสารพัดอย่างอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะให้เราเข้าใจอย่างนี้อันนี้เป็นเบืองแรกของเราเราจะเห็นในตัวของเราอันนี้ชื่อว่าเห็นธรรมะในใจของเจ้าของเป็นศีคีผู้โตเอาตัวเป็นพยานของตัวยาวคนอื่นเป็นพยานเราคนอื่นก็เรียวกว่าคนอื่นคนอื่นพูดกับคนอื่นพูดจะห้ามอะไรก็ก็ไม่ได้ ตัวเรานี่เนี่ยมันเป็นสิ่งศักสําคัญกับขมาจะเป็นอัตติอัตโนนาโถโกหินาโถปโรซิยาต้นเนี้ยเป็นที่ฝึงต้นคนอื่นใครจะเป็นที่ฝึงเราท่านก็สอนอย่างนั้นี <c> ่ย <oughs> ท่านสอนอย่างเนี้ยทำอย่างนี้ก็คือตัวพระพุทธเจ้าทำที่เรายัางอยู่นี่แทนตัวพระพุทธเจ้าอยู่เราก็น้อมเอาธรรมะเข้ามาไว้ในใจของเรา เราเนื้อึงพุโทโธธรรมโมสังโฆนึกถึงก็คือธรรมะของท่านอยู่ในใจของเราอันนั้นทนี่เราอยู่ตรงนั้นจะเบิกบ้านมันจะเบิกบ้านอยู่จะไหนปรเบิกบานอันนี้การการททำคนงามความดีอย่างนี้มันมีความหมายอย่างนี้ทุกๆ ท, ท่านมันนี้ให้ภาคการเขา้าเข้าใจไปพิจารณาขบเคี้ยวให้มันดีนการแสวงบุญ ดูข้างล่างว่าจะเสียงละบาบเลยนะอย่าไปขึ้ง ม, นะมัน่ะอืมเนี่ยมันเป็นท่านงานอื ม, อมเอาแต่ปูนอย่างเดียวมันไม่เคยจะปูม้านเอาแต่บ้านสสวยอย่างเดียวเท่านั้นแลหละหลักฐานบ้า น, มนไม่ไม่มันคงเนี่ยก็พัพงเท่นั้นนี่นีน่ น, นะพยายามนี่การฟังธรรมการรูปธรรมะอันนี้พูดวันนี้ก็รู้ไม่คยไม่ใช่ยากเหมือนการสร้างบ้านหลังนี้มันสร้างยากแต่มันก็ไม่ยาก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 ย้ายก็ตอนเช้าตอนเย็นมาขบวนไปเธอใส่ยคนนี่มันทำอย่างงั้นคนนั้นเหมือนทำอย่างนี้นกิการ์ทั้งนั้นแนะยังไม่เศษเดโยวขนาดนี้สร้างบ้านเศษจแียวการรักษาบ้านสำคัญกว่าการสร้างบ้านก า, านรฟังธรงรมะก็ดีก็ง่ายะการรักษาธรรมะให้มีอยู่ในใจของเราเป็นของยากคือการปฏิบัติธรรมมีเรื่องของการปฏิบัติธรรมต้องเคี้ยวให้มันได้อียดให้มันรู้จักและให้มันรู้จักธรรมะ